6.14 นิกายที่แฝงในศาสนาพุทธวงเล็บเปิด20กันยายน2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที18วงเล็บปิดสมัยพุทธกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาเล็กๆศาสนาหนึ่งมีศาสนาที่ใหญ่ที่ศาสนาพุทธต้องขึ้นมาสู้ด้วย6สำนักใหญ่6ลทัทธิใหญ่6เจ้าสำนักใหญ่สำนักเล็กๆอีกนับไม่ถ้วน พอศาสนาพุทธชนะขึ้นมาเพราะสมเหตุสมผลศาสนาพุทธชนะศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็แฝงตัวเข้ามาในศาสนาพุทธเมืองไทยเป็นศาสนาพุทธศาสนาพุทธชนะแขวนป้ายศาสนาอื่นสู้ไม่ค่อยได้ศาสนาซึ่งสู้ศาสนาพุทธไม่ได้ก็เลยแฝงเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธบางศาสนานี่ยฝึกไปแล้วจะรู้สึกว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งอันนั้นไม่ใช่พุทธอย่างที่เราเป็นมันคือลัทธิสุขาวดีแฝงเข้ามา แล้วก็จะมีลัทธิต่างๆมากมายบางคนเรียนตำหลับตำรามากเห็นว่านิพพานแล้วศูนย์นิพพานแล้วศูนย์ก็เป็นมิจฉาทิฐิพวกอุเฉททิฐิวงเล็บเปิดความเห็นว่าขาดศูนย์เช่นเห็นว่าคนและสัตว์จุดติดจากอัตภาพนี้แล้วขาดศูนย์ตรงข้ามกับสัตสตะทิฐิวงเล็บปิดหรือตายแล้วศูนย์ก็เป็นอุเฉททิฐิบางพวกก็สอนกรรมฐานสอนให้รู้นามรู้ไปรู้มากลายเป็นเพ่งเพ่งรูปจนนามดับ ได้เป็นพรมลูกฟักอีกพวกหนึ่งมองว่าโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันเป็นมิจฉาทิฐิชื่อว่านัตถิกะทิฐิวงเล็บเปิดความเห็นว่าไม่มีเช่นผลบุญผลบาปไม่มีบิดามารดาไม่มีความดีความชั่วไม่มีเป็นมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งวงเล็บปิดและที่าศาสนาต่างๆที่เคยอยู่ในอินเดียไม่ได้หายไปไหนแต่มาอยู่ในหมวกของพุทธนี่เอง ละที่นับถือเทวดาอย่างฮินดูก็อยู่ในหมวกของพุทธใช่ไหมจตุคามรามเทพก็ต้องเป็นเทวโพธิสัตว์ขึ้นมาละ่ะสร้างเทวดาขึ้นมาสร้างมนุษย์นะสร้างเทวดาขึ้นมาแต่ก็ต้องอิงพุทธไว้หน่อยเพื่อที่จะได้ขายดีเป็นพระโพธิสัตว์มีคมภีเล่มไหนบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ไหมไม่มีในคมภีพุทธเรื่องพระโพธิสัตว์ก็มีพระอชิตพระอชิตะเป็นพระโพธิสัตว์จะมาเป็นพระสีอ่านในวงเล็บ พระศรีอริยเมตราย